อิเมโปนายมันโตจตารโปาิเดตนยาธรรมมาุเดสรางอาจันเตโยปนาพิคุัญญาติกายาพิุณยาอันตร a k a ังกิายาหโตานียังวาโพนยังวาัาปังเกตวาาเดยวาพุเจยวาปังิเดเตบังเตนปิคุณนาการยั่งอาวุโสธรรมังอปิงอสัปายังปาปอเดะนียังตังปงิเดเตมีเตพิคุปเนวากุเสุติมันติตาพุจันติตัตระเจพิุณีโวสสมาะรูปาปังโอติอิทะสูปังเดธาอิทะโอเดนังเดธาติเตชิพิคุหิซาพิคุณีอปั จันเ <dreams> <comic i> <professors> ุโนนะปจัาเังพกุลิงกเจตุงปัสกาตาากิาปิุจันตีปัจจัเดสตัมบางเจหิพิกุลิงการิยังอาวุโสธรรมังอาปัจิมาอัพพายังปัจจัยเดสนียังปัจจัยเดเมาเดยานิโคปนตานิเศษขัสมตานิคุลานิโยปนภิกุตธาโรเปสุเศษขัสมเทสุเกเลสุภุเบนิปันติปวะเดลานุฆเด้ิยังวาโผเจนิยัวาสาธาธาปัตติเหตวาฆาเดยะวาพุนเดยะวาปัจจัยเดเสตัมบางเจนะพิกุลนาการิยังอาวุโสธรร โอนตาอรัญญกานิเดนาสนาณิท่าสังกัตรมทานิสัตัญาณิโยปภพกตทาบสุเสนาสนสุวิหารันโทเิั่งปิตัง้านียังวาผูญนียังวะอชารามสหาปิเกตวาอะนิรานโอขาเยะวผลเจยะวปัติเดเซตบังเตนภิคุณาการิังอาบุโสธรรมังปจิงอสัปปายังปาปิเดตนียังตังปัิเดเซมีอุติภโคอายัตมันโตจตารโปัเดตนยาธรมมาตัทธายตมันเตปุชามิกจิทาปริส กิตตะปริจุธาปริจุเทธาเจตมันโตตัสมาตุนีเอวะเมตังธาระยามี